จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัาเพื่อมาทำบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะเชื่อว่าผลที่เกิดจากกระทำงานเหล่านี้จะนำมาสึ่งความสุขและความเจริญที่แท้จริงดังนั้นเราจึงมีเวลาว่างเมื่อใด เราก็จะมาทำงานอันนี้กันคือมาทำบุญมาล่างบาปมาละมาชระใจให้สะอาดบรยสุดเพราะใจจะได้รับความสุขที่แท้จริงได้รับความเจริญที่แท้จริงคือไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากการกระทำทางอื่น เช่นการทมามหาตินแล้วได้เงินได้ทองมาเป็นจำนวนมากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ตำแหน่ ง, งต่างๆได้รับการชลเสริมยกย่องและการได้หาความสุขจากรูปเสียงเก่นรดความสุขเหล่านี้ เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขชั่วขนาดที่ได้รับได้เสพได้สัมผัสแต่พอผ่านไปแล้วก็หายไปทำให้ใจยังมีความรู้สึกต้องการความสุขอยู่เรื่อยๆไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากการทำบุญ ที่เกิดจากการละบาปที่เกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริบสุดเพราะเป็นความสุขที่ติดอยู่กับใจไปนานและถ้ามันทำอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีเต็มเปี่ยงอยู่ภายในหัวใจ พอมีอยู่เต็มยึภายในหัวใจแล้วก็จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปดังความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเจือจางไม่มีวันที่จะทำให้ใจอยากจะได้ความสุข เพิ่มมากขึ้นไปอีกนี่แหละคืองานที่แท้จริงของเราคือการทำบุญล้าบาปและชำระใจของเราให้สะอาดโดยสุดแต่ในเบื้องต้นเราก็จำเป็นที่จะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราไปก่อน เพราะว่าถ้าเราไม่มีปัจจัยสี่มาจุนเจือมาดูแลรักษากายของเราให้อยู่เป็นปกติสุขเราก็จะไม่สามารถมาทำบุญลาบบาและทำลาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ดังนั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องทำงานทางทางการ หาปัจจัยสี่มาให้แก่ร่างกายของแต่พอเราได้พอเพียงแล้วเราก็ควรที่จะหันการทํางานของเรามาสู่การสร้างความสุขสร้างความเจริญที่ถาวรที่แท้จริงต่อไปเพราะความสุขความเจริญทางลาบยศสารเสริญสุดเป็นความสุขที่ไม่ ทาวรมีวันเสื่อมได้มีวันหมดไปได้และอายุของร่างกายก็มีวันที่จะต้องสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดลงแล้วลาบยศสารเสริญและความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายที่เราได้หามาด้วยการทำมาหากินอย่าง ยากลำบากก็จะหมดไปส่วนความสุขและความเจริญที่เราสร้างขึ้นมาด้วยการทำบุญให้ทานรักษาสิ่งจะอยู่ติดไปกับใจของเราจะไปกับใจของเราต่อความสุขความเจริญส่วนนี้ไม่มีวันเสือ่อมหรือไม่มีวันพัฒนา จากใจไปเพราะอยู่ฝังอยู่ในใจนั่นเองไม่เหมือนกับความสุขของราบยศสรรเสรินของตาหูจมูกลิ้นกายที่ฝังไว้กับร่างกายที่ผูกติดไว้กับร่างกายถ้าร่างกายยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถหาความสุขจากราบยศสารเสริน จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะได้แต่พอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากราบยศสารเสรจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะได้อีกต่อไปดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะหาราบยศสารเสริญสุขเกินความจำเป็น ถ้าเรามีพอเพียงพออยู่ได้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วเราก็ควรที่จะทุ่มเทเวลามากับการทำบุญละบาปกับการชำระใจของเราให้สะอาดปริสุทธิ์จะดีกว่าเพราะเราจะได้ทรับภายในได้ความสุขความจเจริญที่แท้จริง ที่จะติดไปกับเราต่อไปอย่างที่พระพุเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างในแต่ละภพแต่ละชาติที่ได้ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์จะใช้เวลากับการทำบุญละบาปและชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์มากกว่าการไปสร้างลายกยศสรรเสริญ สร้างความสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายพอะทรงรู้ว่าความสุขทาง <c oughs> ราบยศสารเสริญสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายนี้มีจำนวนจำกัดเป็นเหมือนน้ำในตุ่มต่อให้หามาได้มากเท่าไหร่ก็ตามความสุขก็จะได้เพียงความสุขในตุ่มน้ำ ตามกับความสุขที่ได้จากการทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดโดยสุขเพราะเป็นความสุขที่เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลทำได้มากเท่าไหร่ก็จะได้ความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นจนเต็มจนเต็มมหาสมุทรไปเลยเช่นใจของพระพุทธเจ้า ใจของพระอาหารหันต์นี้ท่านมีความสุขภายในใจปริมาณเทียบเท่ากับน้ำในมหาสมุทรส่วนความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นท่านก็มีเท่ากับพวกเรามีทั้งท่านที่ท่านไม่มีลาบยศสรรเสริญสุขเหมือนกับที่พวกเรามีกันแต่ปริมาณความสุข ทางด้านนี้ก็จะมีเท่ากันก็คือประมาณน้ำในตุ่มเท่านั้นเองต่อให้มีเงินร้อยล้านพันล้านหรือมีแค่ล้านเดียวความสุขในที่จะได้เติมเข้าไปในตุ่มน้ำนี้ก็จะมีแค่ตุ่มเดียวเท่านั้นดังนั้นไม่จำเป็นที่จาเป็นที่จะต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านถึงจะมีความสุขมากกว่า คนที่มีเพียงร้านเดียวหรือคนที่ไม่มีเลยเช่นพระพุทธเจ้าพระราหันตสาวกท่านไม่มีเงินไม่มีทองเลยแต่ความสุขทางร่างกายของท่านท่านก็พอเพียงท่านก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนร่างกายก็ไม่เจ็บไข้ได้ต่วไม่ทุกข์ทรมานอย่างไร <c oughs> คนที่มีร้อยล้านพันล้านก็มีร่างกายเหมือนกัน ร่างกายที่ไม่เจ็บไข้ได้ปวยเหมือนกันไม่ทุกข์ทรมานเหมือนกันดังนั้นเราต้องอย่าไปหลงคิดว่าการที่เรามีเงินมากๆแล้วจะทําให้เรามีความสุขมากๆเพราะว่าเงินทองนี้สามารถหาความสุขมาได้เพียงน้ําในตุ่นเท่านั้นเองถ้าเราอยากจะได้ความสุขมากกว่าน้ําในตุ่นเราต้อง ทำบุญละบาปและชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะเราจะได้บุญจะได้ความสุขในระดับน้ำในมหาสมุทรพระพุทธเจ้าทรงเป็นนักปราเป็นผู้ชราทรงเห็นถึงความสุขทั้งสองแบบนี้ทรงเห็นว่าความสุขทางลาบยศเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็จะได้เพียงในระดับน้ำในตุ่มเท่านั้นเองแต่ถ้าอยากจะได้ความสุขมากไปกว่านี้พระองค์ก็ทรงเห็นว่าต้องทำบุญลาบาปและทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสละพระราชสมบัติสละลาดาบยศสารสนสละความสุข ทางตาหูจมูกทิ้นกายแล้วก็ส่งออกพนวดไปอยู่ในป่าในเขาอยู่แบบสมนณานัก บ, บ, บ, บวชอยู่แบบเรียบง่ายตามมีตามเกิดแล้วก็ส่งทุ่มเทเวลาให้กับการทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์บุญนั้นท่านก็ทำอย่างเต็มที่แล้ว คือได้ทรงสละพระราชทรัพย์ที่พระองค์ทรงมีอยู่ไม่เอาติดตัวไปเลยไปแต่ตัวเปล่าเท่านั้นส่วนบาปพระองค์ก็ทรงรักษาศีลอย่างเคร่งครัดและการชำระใจก็ทรงบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะการชำระใจนี้ต้องต้องมีการภาวนาเท่านั้น ถึงจะสามารถชำระใจได้การทาบุญนี้ไม่สามารถชำระใจให้สะอาดได้การละบาตรักษาสิงหก็ไม่สามารถที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ต้องการภาวนาเท่านั้นถึงจะสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ถ้าใจไม่สะอาดบริสุทธิ์ใจก็ยังจะ มีความทุกข์ความเศร้าหมองแต่ถ้าเราสามารถทำใจให้สะาอาดบริสุทธิ์ได้ความทุกข์ความเศร้าหมองต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็จะหมดสิ้นไปดังนั้นถึงแม้ได้ทำบุญมากมายเพียงไรได้รักษาศีลให้สะาอาดบริสุทธิ์เพียงไรก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ใจ มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์แต่คนที่ทำบุญและรักษาศีลหรือไม่ทำบากนี้ย่อมมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ละบาปแต่ยังไม่มีความสุขเท่ากับคนที่สามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ดังนั้นถ้าอยากจะ ได้บุญอย่างเต็มที่เราต้องนอกจากการทำบุญละบาปแล้วเราต้องเจริญจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตใจให้สงบให้ฉลาดเพื่อจะได้ทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธินั่นเองนี่คืองานที่สำคัญที่สุดของพวกเรา ถ้าพวกเรายังไม่ได้เจริญจิตตภาวนาได้แต่ทําบุญละบาปเราก็ยังไม่สามารถได้ความสุขในระดับของน้ําในมหาสมุทรได้อาจจะได้แบบน้ำในในบอ่อหรือในบึงแต่ยังไม่ถึงขั้นของน้ําในมหาสมุทรถ้าอยากจะได้ความสุขระดับปรมังสุขขัง น้ำความสุขในระดับของน้ำในมหาสมุทรเราต้องเจริญจิตภาวนาคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาแปลว่าทําจิตใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้นิ่งไม่คิดปรุงแต่งวิปัสสนาภาวนาเป็นการทําจิตใจให้ฉลาดให้รู้ทัน กับทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตใจไปสัมผัสรับรู้ไปเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าหลงไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆ สิ่งต่างๆนี้ล้วนเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นมีการรวมตัวกันแล้วก็มีการแยกกันไม่มีใครสามารถไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาของตนได้นี่คืองานที่สำคัญที่สุดในงานทั้งสามส่วนคืองานทําบุญละบาก และชำระใจให้สะอาดบ่อยสุดงานชำระใจให้สะอาดบ่อยสุดด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นงานที่สาคัญที่สุดเพราะเป็นงานที่จะทำให้งานทั้งหมดมีสึ่งสุดได้ถ้ายังไม่ได้บำเพ็ญจิตตภาวนาก็ยังจะต้องทำบุญละบากไปอีกไม่รู้กี่พบกีิชาติไม่มีวันสิ้นสุด เพราะใจที่ยังไม่ได้รับการชำระให้สะอาดบริสุดธิ์จะยังต้องไปเกิดต่อไปจะต้องไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ตนได้ทำเอาไว้ต่อไปแต่ถ้าจิตสะอาดบริสุทธิ์เมื่อไหร่จิตก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปใช้กรรมไปรับผลบุญอีกต่อไปใจจะอยู่ด้วยความสุขอย่างถาวร ด้วยความอิ่มด้วยความพออย่างถาวรไม่มีความทุกข์อย่างถาวรดังนั้นพวกเราจึงควรให้ความสําคัญต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนาอย่าเพียงแต่ทําบุญและละบาปเท่านั้นควรจะฝึกทําการภาวนากันบ้างเบื้องต้นก็ให้เจริญสมถะภาวนาก่อน เพราะสมถะภาวนานี้เป็นเหมือนกับขั้นแรกก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นที่สองคือขั้นวิปัสสนาภาวนาได้ต้องมีสมถะภาวนาก่อนคือจิตใจต้องสงบนิ่งก่อนถ้าจิตใจสงบนิ่งแล้วก็จะเป็นจิตใจที่มีเหตุมีผลที่จะสามารถรับรู้ความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายได้ ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าใจยังไม่สงบนี้ใจจะมีโมหะอวิชชามีกิเลสตัณหามาคอยขัดขวางไม่ให้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นในเบื้องต้นจึงต้องจเจริญส ม, มถะภาวนาก่อนคือการ จเจริญสมาธินี้เองคือการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบการที่จิตใจจะสงบได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้ควบคุมบังคับเหมือนกับรถยนต์ถ้าต้องการให้รถหยุดได้ต้องมีคนขับที่สามารถแตะเบรกให้รถยนต์หยุดได้ถ้าไม่มีคนขับคอยแตะเบรไว้ ถ้าปล่อยให้รถวิ่งไปเช่นวิ่งลงเขามันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดจนกว่าจะแหกโค้งตกเหวพังไปเท่านั้นหรือไปชนกับอะไรที่ทำให้มันหยุดแต่ถ้ามันไม่มีคนขับไม่มีเบรคแล้วมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆใจของเราก็เหมือนกันคือความคิดของพวกเราจะคิดไปเรื่อยๆ แม้กระทั่งเวลานอนหลับก็คิดไปเวลาที่เราคิดในตอนที่เรานอนหลับก็เป็นเวลาที่เราฝันนั่นเองในขณะที่ตื่นขึ้นมาปั๊เราก็เริ่มคิดแล้วคิดว่าวันนี้วันอะไรจะไปทาอะไรแล้วก็คิดไปเรื่อยตลอดเวลาจนถึงเวลาหลับนอนก็ยังไม่หยุดคิดเราจึงต้องมีสติไว้คอยหยุดความคิดของเรา ถ้าเราอยากจะให้ใจของเราสงบเป็นสมาธิเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเราต้องเจริญสติคือต้องดึงใจให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับร่างกายอยู่กับการกระทของร่างกายอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เช่นในขณะนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่า เรามีสติหรือไม่ก็ให้ดูว่าตอนนี้เรากำลังฟังธรรมะอยู่หรือว่าเรากำลังคิดเรื่องอื่นอยู่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วคิดเรื่องธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี้แสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วใจเราไปคิดถึงเรื่องงานการเรื่องธุระที่เราจะต้องไปทำต่อในวันนี้อย่างนี้เรียกว่าเราไม่มีสติ ใจไม่ได้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้อยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นก็คือการการฟังเทศฟังธรรมดังนั้นเราต้องฝึกดึงใจของเราให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้เรากําลังฟังธรรมก็ให้เราตั้งใจฟังอย่างเดียวถ้าเราทําอย่างอื่นก็ให้เราตั้งใจอยู่กับการกระทําอย่างอื่นเช่นกําลังรับประทานอาหาร ก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าเรากำลังเดินก็ให้รู้ว่าเรากำลังเดินอย่าไปคิดถึงเรื่องอาหารที่เรารับประทานแล้วหรืออาหารที่เรายังไม่ได้รับประทานให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าอย่างนี้เรียกว่าการมีสติเพราะถ้าเราสามารถดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันได้แล้ว เวลาเราจะทําใจให้สงบด้วยการให้บริกรรมพุโทโธใจก็จะอยู่กับการบริกรรมพุโทโธจะไม่ไปคิดถึงเรื่องการเดินการทํางานของร่างกายหรือเรื่องของการรับประทานอาหารจะอยู่กับการบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวถ้าอยู่อย่างนี้ไปอย่างเดียวไม่นาน5นาที10บนาทีจิตก็จะลวงเข้าสู่ความสงบได้ นี่คือความสำคัญของสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมะทั้งหลายเพราะธรรมะอย่างอื่นเช่นสมาธิปัญญาหรือวิบุติการหลุดพ้นการบรรลุธรรมจะไม่เกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสติเป็นผู้เริ่มขึ้นมาดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างสติจเจริญสติอย่างสม่มเสมอ ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเราสามารถปฏิบัติธรรมได้โดยที่เราไม่รู้เพราะว่าเรามักจะคิดกันว่าเวลาปฏิบัติธรรมนี้จะต้องมาอยู่ที่วัดมานุ่งขาวห่มขาวความจริงเราปฏิบัติธรรมได้ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าเราสามารถ ดึงจิตใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันได้ตลอดเวลาให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นให้อยู่กับการกระทำของร่างกายถ้าเราทำอย่างนี้ได้พอเวลาเรามีเวลาว่างจากการกระทำต่างๆเราก็สามารถนั่งสมาธิได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็นั่งได้อยู่ที่ทำงานก็นั่งได้ถ้าเรามีห้องทำงานเป็นส่วนตัว ไม่มีใครมารบกวนพอเราไม่มีเวลาไม่มีภารกิจอย่างอื่นเราก็นั่งหลับตาบริกรรมพุทโธพุทโธไปใจของเราก็จะสงบจะมีความสุขมีความสบายปล่อยวางเรื่องความวุ่นวายต่างๆที่เกิดจากการทำงานได้ช่วยทำให้เรานั้นมีพลังพลังจิตที่จะทำงานต่อไปได้ ถ้าเราไม่มีเวลาได้พักจิตเลยบางวันเราทำงานไปแล้วเราจะรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายเวลาที่เราจะต้องประสบกับปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆแต่ถ้าเราทำสมาธิเป็นเราก็หลบไปหามุมสงบที่ไหนพักจิตสักสิบห้านาที30นาทีทาจิตใจให้สงบพอสงบแล้วความท้อแท้เบื่อหน่าย ก็จะหายไปหมดเลยกำลังวังชาต่างๆของจิตใจก็จะหวนกลับคืนมาใหม่และพร้อมที่จะกลับไปเผชิญกับปัญหาต่างๆและจะรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆให้รู้ร่วมไปได้อย่างา ง, ง่ายดายนี่คืออำนาจของสมาธิถ้าเราใช้กับชีวิตประจำวันของเรา ถ้าเราใช้กับการทำงานของเราจะช่วยให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะทำให้การทำงานของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นดังนั้นขอให้เราพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิให้ได้แล้วยิ่งถ้าเราเอามาใช้ในการชำระใจ สมาธินี้ก็จะเป็นผู้ที่สนับสนุนการเจริญปัญญาเป็นผู้ที่จะลดกำลังของสติของกของกิเลสตัณหาให้อ่อนลงไปไม่ให้มาต่อต้านเรือไม่ให้มารบกวนการเจริญปัญญาของเรา ทำให้เราสามารถเห็นความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ได้ว่าไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็ต้องดับไปไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับแล้วก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่อยู่ภายใต้อำนาจคําสั่งของเราเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปเราอาจจะสั่งได้บางครั้งบางเวลาเช่นร่างกายของเรา ตอนนี้เราสั่งให้ลุกให้เดินให้ยืนให้ทาอะไรได้แต่ถ้าเกิดเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดเราจะสั่งให้ลุกขึ้นมามันก็ไม่ยอมลุกเพราะมันจะนอนอย่างเดียวหรือว่าถ้าเกิดมันเป็นอมัอมพาตไปเราก็ไม่สามารถสั่งให้มันเดินหรือทำอะไรอย่างที่เราเคยทำได้เพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายจะต้องเป็นอย่างนี้ จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปในที่สุดถ้าเราได้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ปรับความความเห็นของเราต่อร่างกายว่า อ, อ๋อร่างกายนี้สักวันหนึ่งเขาจะต้องเปลี่ยนไปเขาจะต้องแก่ลงหนังจะต้องเหี่ยวผมจะต้องขาวจะต้องมีอาการเจ็บปวดต่างๆตามร่างกายอยู่เรื่อยๆ และอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามาเบียดเบียนมีโรคหัวใจมีโรคความดันมีโรคเบาหวานมีโรคอะไรต่างๆอีกมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้กับร่างกายของเราได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์พอเกิดขึ้นเราจะได้ไม่เสีย อ, อกเสียใจไม่วิตกไม่กังวล เพราะใจเรานั้นเป็นเพียงผู้รับรู้เรื่องของร่างกายใจของเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเดือดร้อนแทนร่างกายไม่ต้องไปว่าหุ้นขุนมัวไปทุกข์กับร่างกายที่เราว่าหุ้นขุนมัวที่เราทุกข์กับร่างกายก็เพราะว่าเราอยากจะให้ร่างกายของเรานี้ดีไปตลอดอยากให้ทำอะไรตามคำสั่งของเราไปได้ตลอดแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น พอไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเราไม่สามารถควบคุมบังคับร่างกายให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอพราถึงเวลาที่เราสั่งร่างกายให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้เราก็จะได้ไม่เดือดร้อนเพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วนั่นเองนี่คือปัญญา เราต้องศึกษาความจริงที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้เช่นกับคนต่างๆที่เรารู้จักเขาก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นเดียวกันเขาอาจจะอยู่กับเราไปวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่อยู่กับเราก็ได้วันนี้เขาอาจจะดีกับเราพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้วันนี้คบค้าสมาคมกัน แต่พวกนี้ก็อาจจะไม่คบค้าสมาคมกันก็ได้ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจสอนใจไว้ก่อนพอเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราจะรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือเกิดความโกรธเกิดความน้อยอกน้อยใจแต่ถ้าเรา คิดไว้ล่วงหน้าก่อนนึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเกิดขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยรู้ว่าอ๋อมันต้องเป็นอย่างที่เราคิดอพอเรารู้ว่ามันจะเกิดเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วพอมันเกิดมันก็จะไม่ทาให้เราเสียหลักเสียใจเราก็ยังจะสามารถดำเนินชีวิตของเราต่อไปได้ไม่เป็นปัญหาอะไร แม้แต่เมื่อถึงเวลาให้ร่างกายนี้ตายไปเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจตกอกตกใจแต่อย่างใดเราก็รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นและเราได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไวแล้วนี่คือปัญญาที่จะทำให้ใจของเรานื็งหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะทำให้ใจของเราบรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไป ถึงขั้นพระอรหังก็ต้องมีปัญญาที่เห็นใจรักในสิ่งต่างๆเช่นเห็นใจรักในลาภยศเสริญในความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายเห็นใจรักในร่างกายเห็นใจรักในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเห็นใจรักในจิตนี่คือปัญญา ถ้าเห็นแล้วจะได้ไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงที่ไม่ใช่เป็นของเราที่เราควบคุมไม่ได้และจะไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจะไม่อยากจะทุกข์กับเขานั่นเองพอเรามีปัญญาถึงขั้นระดับทุกระดับแล้วใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์เพราะความไม่สะอาดบริสุทธิ์นี้เกิดจา ก, กความหลง ความที่ไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองพอรู้แล้วก็จะปล่อยวางก็จะดับความหลงดับความโลภความโกรธความอยากต่างๆได้ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่เดือดร้อนกับการเกิดการดับของสิ่งต่างๆไม่มีใจไม่มีความคิดที่อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เพราะรู้ว่าเขาเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเราควบคุมบังคับสั่งเขาไม่ได้นี่คืองานที่สำคัญที่สุดคืองานชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาสมถะและวิปัสสนาภาวนาด้วยการมีสติเป็นผู้นำทางถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่ได้แสดงไว้แล้วในวันนี้ ผลที่จะตามมาจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติไม่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นค า, ารวาสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันทั้งนั้น ถ้ามีการเจริญจิตตะภาวนาอยากเต็มที่นั่นเองนี่คือหน้าที่การงานที่แท้จริงของเราหน้าที่การงานอย่างอื่นนั้นเป็นเพียงสนับสนุนหน้าที่การงานที่สาคัญอันนี้อย่างนั้นขอให้เราอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปทุ่มเทเวลากับการสร้างราบยศเสริญสุข จนเลื่อมมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างมรรคผลนิพพานที่เป็นสมบัติที่เป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงของเราจึงขอฝากเรื่องของการทำบุญละบาปและชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไป